การถ่ายภาพวัตถิษฐานเขาบรรดาญาโยมพุทธวัตรสวดสระวั น, นอเอาแค่ย่อๆนะอันนี้สงศ์จริงๆที่พระพุทธเจ้าสมบันามว่าพระสมุทตะสมตรัสว่าคนท่อยวัตถิษฐานเดียวข้างหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าห้าร้อยชาตินั่หมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นตัวเองมีเวลาพันปีทิพ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งขอเราดึงทั้กร้อยปีของเราสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนดนสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่กันมันเขาพันปีที่เกิดจุติเราดับพับก็เกิดพับทันทีแบบนี้ห้าร้อยครั้งนี่เฉพาะอัญมณีถินนะแล้วถ้าบุญอ่อนลงจากความเป็นเทวดาและนางฟ้าก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกห้าร้อยชาติ บุญอ่อนลงมาอีกก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศชาติห้าร้อยชาติบุญอ่อนุงมหน่อยหนึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติบนออนุญอ่อนไม่นิดหนึงก็เป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติถ้าบุญอ่อนลงมาก็เป็นขหาบดีห้ารอยชาติสรุปแล้วกินบุญไม่ทันหมดไปนิพพานก่อน นี่สําหรับอานิสงส์ก็ะถึงโดยเฉพาะคือว่าบุญนมีสองอย่างที่จํากัดเขตคือบุญการโบสถการเท่ากรถินที่จํากัดบุญมาแตเป็นอะไรบ้างอย่างอื่นไม่เฉพาะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเท่ากระถิน่นวันนี้บรรดาญาโยพระจตุรัสศาตร ท, ทอดพระป่าด้วยอานิสงส์พระป่าก็มีกระดานดาท่านพระจตุรัสศาตรอีกเฉพาะอานิสงส์พระป่าก็มีอาการคล้ายๆกับกรถินแต่ไม่จํากัดการเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาปเพราะขอโทษไม่ใช่บาปสังฆทานถวายสังฆทานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานโดยพระพุรูปจะเป็นเทวดาด้วยนางฟ้าที่มีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถือรัศมีกายเป็นใหญ่เขาไม่ถือเครื่องแต่งตัวเป็นใหญ่ใครมีรัศมีกายสว่างมากอง์นั้นถือว่ามีบุญญาจิตการมาก ใครมีรัศมีกายสว่างน้อยองค์นั้นก็ถือมีปัญญาธิการน้อยถ้าจะถามว่าจะมารู้มาจากไหนธรรมานีก็ขอต่อไปทราบว่ารู้มาจากผีผีชื่องาหรือเปล่าไม่ทราบาแต่งาทายกพระ่าุาสูงเอายังไม่ตายาเอรอชื่อเดียวกันทนกคนทุกคน <laughs> <laughs> คือว่าบรรดาผีทั้งหลายตั้งแต่โบสมานี่เวลาแกมาขอให้ขอขอให้ทำบุญให้แกหนึ่งขอถวายสังฆทานมีอาหารแห้งได้อาหารไม่แห้งก็ได้สองมีผ้าหนึ่งผืนสามมีพระพรูปหนึ่งองค์แต่ว่าพระพุทธรูปหน้าตักต้องไม่ต่างกว่าสี่นิ้วเกินเท่าไหรได้ขออย่านั้นมาซึ่งเวลายี่สิบปีเศษ็จทำบุญให้กับผีประเภทนี้นับเป็นพัน เป็นพังครั้งต่อมาวันหนึ่งเ้านิมนต์ไปฉันเพลนบ้านหนึ่งแต่วก็ฉั้นชั้นกึงวันแพศตอนเพลนแต่ยังไม่ทันจะไม่ทันสวดมนต์ก็นั่งอยู่คนเดียวก็เห็นม่าดาผีทั้งหลายมาล้อมอีกแล้วมาขออีกขอแบบเดียวกันบอกขอสังฆทานคือมีอาหารหน่อยหนึ่งมีผ้าชิ้นหนึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ก็เลยถามว่าการขอแบบนี้แกขอกันมาตั้งยี่สิบปีแต่ความจริงพวอที่ขอก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาดีไปแล้วถามตั้งยี่สปีมาแล้วขอได้แกได้อยู่อะไรบ้างลองบอกฉันฟังทีเห็นว่าผีตัวนั้นมีพิชลาดหน่อยท่าทางคล่องตัวแกก็บอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งทําเป็นเหตุให้ผมมีร่างกายเป็นทิพย์ ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นผ้าสบงหรือจีวรณพระไต้ก็ตามให้ผมมีผ้ามีเครื่องประดับประดามีทิพย์แล้วก็สําหรับพระพุทธรูปนี่เป็นเหตุที่มีร่างกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือผมถือว่าถ้าใครร่างกายสว่างเ อ, อนั้นมีบุญญาธิการมากฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำบุญวันนี้นอกจากกระถินแล้วก็ยังได้อานิสงส์จากสังฆทานอีกแล้วนอกจากสังฆทานมีสออะไรบ้าง เหนื่อยแม้แต่ในเชา้าดีโมโหโมตอนเพลงนี่กินข้าวต้มหมดไปสองชามโมโหนะทำไมโมโหกินไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้ววันนี้โมโหโยมให้ล่อซะสองชามเลยแต่โมโหแบบนี้ไม่บ่อยก็อ้วนนะ่ใช้ข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วคืนนี่อาเจียน แล้วต่อไปนี้ไปก็คงจะไม่มีอะไรนะ ย, ย่าโยมใครมีอะไรสงสัยไหมเอางี้ดีกว่าบนที่ท่านทําแล้วนี่เป็นมหากรุสัญยิ่งถือว่ามหากุสลกรุสัใหญ่เป็นพิเศษเพราะกระถิ่นเป็นกาลทานถาวายได้เฉพาะกาลเวลาถาวายได้แต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองถ้าพ้นจากนั้นไปถาวายยังไงก็ไม่เป็นกรถิน่น ได้อดิสงก์ถฐินได้ทั้งญาติโยมด้วยได้ท่าพระด้วยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหว้ผ้าไตรจีวรไว้ในพุทธศาสนาถ้าผู้หญิงผู้หญิงก็ตามบูชายก็ตามตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือมมีร่างมีเครื่องที่ประดับแต่เวลาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงจะมีเครื่องดามหาวาาสสาอย่างนาง้ำาขาแต่งให้อัลลาคาเวลาทั้ง16กโก ถาบูชาเวลาพบพระพุทธเจ้ามาพระพเจ้าทรงเรียกว่าเอหิภิกขะแปลว่าเจ้าจงเป็นผีสู์มาเถิดจะมีเครื่องตรายผ้าตรายจีวรเป็นทิพย์ลอยาอากาศสมร่างกายอันนี้เป็นอนิสงศ์สุดท้ายกันนะกรองความว่าอิสงกบรรดาลท่านพุทธปริษัทที่ทํา ร, รันนี้ไปในสงถึงขั้นบนุิพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสงกฐินนี่มันกินไม่หมดแน่ถึงนิพานกันแน่เกย์กีใช่ก็จนไม่เปน็นนี่จะเป็นคนโง่เลยเนี่ยนะ ต่อไปจะโง่กันใหญ่ชาติหน้าไม่รู้จนไปยังไงเดินไปขอทานบอกคนป้าขรับผมหิวเหลือเกินขอตังกินข้าวหน่อยแหมคนป้ามันช้ำหนักใจแต่มีตังมาน้อยสีย่ห้ามื่นเทง้นไปหน้อาไปสองหมื่นก่อนนะลูกนะวันหลังเอาใหม่แหมมันแย่ ม, แ ย, มแย่มะนี่จะโง่ไม่รู้จะจนไปยังไงใช่ยอมโง่ฮิ ยอมก็โ้หนูยอมไม่ลูกยอมหอนู น, นึกมยอมกันก็โ <c oughs> <c oughs> อ้ยตนนี้ไปก็ขอบันดาท่านพธบริษัตท์นหลายตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจถวายอาอาณากาถินทานนะสมาทานศีลแ น, นะะ่ใจงามพใจงาเทียวก่อนยิงงเ ก, าากไปก่อน อ่าต่อไปนี้ขอพ่อแม่พี่น้องที่ครบรตั้งใจบูชาพระรัตนารัยและกราบพระและรับศีลพร้อมกันเจ้าค่ะโยโสพระประวารังสมาสามพุทโธไม่เลยไม่ไม่ไปต่อไม่ไตอเลย ขวากาโตเยนาพระควตาธรรมโมสปาฏิปันโนยัสสะพระควาโตสาวกสังโฆ ตัมมายังภะวันตังสะพมังสะสังครังอิเมหิสกาเลหิอะหังอาโรปิเตหิอาภิปูชยามา ซาทุโนพันเตพระขวาสุจิาปารป า, าาปารินิพุโตอัมปปัจฉิมาชกนาตานุกรรมปรมานะส า, าร เมสะเกลทุกตะปนาการภูเตปติคันหะโตอามหังธีขารตังหิตายะสุขายะ งสมาพุทโธภาคควานพุทธางภาคควานตั้งอภิวาทแมีแม่รูนนาสขท่านอกจริวาท่าน พระท่านท่านก็บอกเองนะโอภาควัโตชาวกสังคูสุนาริกโนภาควัตโตชาวกัสังคูตั้งข้างนามาธิไรทุ่มย่างพันเตวิสูงวิสุงรักธนัทยะ เตษระเนนัสฮาปัญจศิรานียาจามาตติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายา ติสระเนนะสหปัญจสิรานิยามานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมาาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะผังสระนังคะชามีผังสระนางคะชามีาา ม, ม, มังสระนางคะชามีผัง ม, มังสระนางคะชามีสังผังเสระนาง กุติย hi, ady, pet, ัม hmm ปีพุทธังสระนังขจามีกุติยัมปีพุทธังสระนังขจามีกุติยัมปีธํามังสระนังขจามีอุติยัมปิธรรมังสระนังขจามีกติยัมปีสังขังสระนังขจามี ตัติยมปิพุทธังสระนังขจามีอั ต, ติยมปีพุทธังสรนัง ตาติยัมปิธรรมสระนังขจามิตาติยัมปิธรรมสระนังขจามิติยัมปิสังขังสระนังขจามิตาติยัมปิสังขังสระนังขจามิอนาติปาตาวีระมณีสิคขาปัทางสมาทิยามิ ปาณาติปาตาเวลมณีสิคาปัทังสมาทียามิอนาธานาเวระมณีสิคาปัทังสมาทียามิอภินาทานาเวรมณีสิคาปัทังสมาธียามิอาเมสุมิชฌาจาราวีระมณีสิคาปัทังสมาทียามิ โมชาวะทาเวระมณีสิกขาบทังสมาธิยามิโมชาวะทาเวละมณีสิกขาบัทภังสมาธิยามิปุรากริยะมัชาปะมาตธานาเว ระบันีสิกขาบทังสมาธียามีสุภาเมรายะมัจจาปามาตถานาเวระมันสิกขาบทังสมาธียามีมานิปัญจสิกขาบทานิสิเลนสุขติงยันติสิเลนภูกรสัมปทาน พิเร น, นิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทยายาทอ้าวต่อไปนี้ขอบรดาพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตั้งใจตั้งนามโมเทวายผ้าพระกรินทานพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมามสมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระขาวโตอะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะอี๋ฮะอีอะไรจะเอาอีแล้วเอาภาษาไทยดีกว่า ข้าแต่ประสงค์ทั้งหลายข้าแต่พระสงค์ทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายข้าพระกะถินญีวรพร้อมกับของ ท, ที่เป็นบริวารทั้ง yeah หลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จองรั บ, รบผ้าพระกฐินชีวรนพร้รพรอมกับขอ ง, ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้นของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระสงฆ์ได้รับแล้ ว, ข อ, ลวขอจองกราน ข้าพระกะถินชีวรให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพิดาและมารดาเป็นต้นด้วยที่ได้ทำกาละไปแล้วเหล่านั้น จองได้รับเึื่องความสุขสมความปรารถนาสิ้นการนานเทอเอ้าวต่อไปขอท่านทั้งหลายอุทิศแ่กุศลเจ้า้าอิทังโนยาตินังหัวตัว ศิตาหอนตัวยาตะยตียิทางคุญยาพระรางอันว่ากุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้ ข อ, ขอบุญกุศลนี้จงเถืงแก่หมยาด แ, และมิชัยายัของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาเป็นต้นโรโปรชาอาจารย์ พดาทั้งหลายสัพพัสัตทั้งหลายตลอดถึงเจ้าเวณและนายกรรมตลอดถึงพญายมราชโคกพบทุกภูมิคกโมราทีเอ้าพระเจ้า ได้กล่าวนามมาแล้วนันจองเป็นผู้ได้รับอนุโมทนาส่วนกุศลที่ท้าพระเจ้าได้อุทิศให้ขอท่านทั้งหลายจงได้รับเครื่องความสุข สมความปรารถนาทุกท่านเทินญาโยนี่อยู่ใกล้ๆตัวประเคนท่านะที่อยู่ใกล้นะเห็นือเป็นตัวแทนญาโยนทั้งหมดหมดนาราลุบกันนะถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าภาพกระินนี้ทั้งหมดกระถินสามัคคีนั้ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพไม่ไปแค่ไม่มีใครไปหุวนหน้าไม่ใครไม่มีใครไปลูกน้องนะ อะไรโอ้โหไม่คนถวายเยอะเลยฉันคนเดียวคนถวายทั้งลานไม่ค้าที่นี่มากินน้อยคนมามากเจ้าวาดอง์เดียวคนบริเค้นทั้งร้านคนอะไรเยยโย <laughs> อ่าเป็นนั้นว่าตอนนี้ไปญาติโยมก็รับพอรอย่างประสงค์นะแต่ว่าก่อนที่จะรับพรญาติโยมคําอธิษฐานเป็นเป็นสาคัญคําอธิษฐานถือว่าไปอธิษฐานนบารมีตัวอย่างเช่นพระอนุรุตรท่านอธิษฐานมาในชาตก่อนในการก่อนนะขณะที่ท่านวาทวายทำบุญถวายทานอย่างบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนี้ท่านอธิษฐานว่า ขอผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทำแล้วจงบันดาลข้าพเจ้าเกิดไปชาติใดช่นใดก็าตามถ้ายังเกิดเบญไหวายเกิดในวัฏฏายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มียงหยาปรากฏกับข้าพเจ้ า, ข, า, จาขอแค่นี้นะว่าต้องการอะไรก็มีหมดเราต้องการของเล็กๆเช่นรถไฟสกบลเราก็สามารถมีได้ ต้องการเครื่องบินเล็กๆอยู่สักห้าร้อยคนก็สามารถมีได้ดูตัวอย่างพระนรุธเพราะอาศัยคำอธิษฐานอันนี้มาถึงชาติสุดท้ายท่านเป็นลูกเจ้าคือเป็นลูกของชาวกรุงกรุงกบินพัฒเป็นนอ้องชื่เป็นลูกของอาเขาพบแต่เจ้าท่านตอนเป็นเด็กทุกวันนี่เวลาเล่นฉุบกับเพื่อน ถ, ถึงเวลาแม่กับทางขนมไปให้ แต่ว่ามีวันหนึ่งปรากรว่าของที่ทำขนมไม่มีพอถึงเวลาท่านก็ให้คนใช้ไปถามแม่บอกว่าต้องการขนมมาเลี้ยงเพื่อนจะกินด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแม่ก็ให้คนใช้ไปบอกวันนี้ขนมไม่มีท่านก็บอกก็ดีแล้ววันนี้ขอกินขนมไม่มีท่านท่านไม่เคยพบคาว่าไม่มีนนะแม่ก็อยากจะสอนลูกว่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาแม้แต่เศรษฐียังขัดไฟเช้นใด ไอ้ของกินของใช้มันต้องขายคราวขาัดมืออยู่บ้างบางบางครั้งบางเวลากินจะสอนลูกว่าคําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้เคยมันเคยมีทุกอย่างก็ถาดเปล่าๆมานหนึ่งลูกมาวางเข้าวแล้วผาดเปล่าๆอหนึ่งลูกปิดเหมือนก็มีเหมือนก็มีขนมทุกวันทุกวันทําแบบนั้นตะวันทําถาขนมเต็มถาแล้วก็ถาดเปล่าๆปิดตั้งคนใช้แบกไป ในเมื่อท่านนาถาดเปล่ามาวางน้าถาดเปล่าปิดก็ให้คนใช้แบกไปท่ขณนะที่คนใช้เดินทางไปหาพาระอัมพรอนุทธ์ที่เป็นเด็กเทวดาที่รักษาตัวพระอนุทธ์ตกใจคิดว่าคำปฏิทักษ์พระอนุทธ์มีไว้ต่อสมัยใช่ก่อนไหลอสงกไ ข, ขามาแล้วว่าขอผลบุญนี้คําว่าไม่มีจุญญาปรากฏกุตข้าพเจ้าถ้าวันนี้พระอนุทธ์ไม่มีขนมจะกิน เราถึงเป็นเทวดารักษาตัวอนุรักษ์จะหัวก็จะแตกเจ็ดเสียงอย่างหัวอาจารหงาเนี่ยอ oh, <yeah. S 1> <laughs> ตอนนี้นอาจาย์หงาเป็นเทวดา uh. ตอนนี้เสียงมันเป็นคนตาบอดหรือขายไ ก, ก่เท่าไหรขายไก่ก็ไม่ได้ขายไกย่ <laughs> ก็เป็นนั้นว่าเทวดาก็ต้องบรรดขนมทิพย์ให้เต็มถาดตามเดิมเหมือนก็คือที่เคยแม่ทํา ตอนนี้ขนมทิพมันก็มรสรรหอมกว่าอร่อยกว่าขนมธรรมดาที่แม่ทำํำพอไปถึงท่านรุษก็กินเพื่องูกินอร่อยจะอร่อยกว่าทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นก็กลับมาบ้านก็ถามแม่ถามคุณแม่ทุกวันค่อแม่ไม่เคยรักลูกเท่าวันนี้หรือแม่ก็แปลกใจถามว่าทําไมว่าวนันก่อนแม่ทําไม่ยังทําไม่ไม่ทำขนมไม่มีให้ลูกกิน ไอ้ขนมไม่มีนี่มันอร่อยขนมที่แม่ทําให้กินทุกวันตอนนี้ไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอกินขนมไม่ ม, ม, มีอย่างเดียว <c oughs> เป็นอันวาเทวดาได้ก็ไม่ต้องทอะไรต้องนั่งทําขนมทุกวันแล้วเทวดากินม้างหรือเปล่าก็ไปดูวันนี้ไม่ได้กินเลยครับผมก็เป็นว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดที่ทําบุญวันนี้จัดว่าเป็นมหากุศลเป็นพิเศษ ถ้าเราจะบรรณาความดีถึงกุศลก็นี่มันก็ยันนิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วผลความดีของท่านก็ยังไม่หมดเพระอในสงสังฆท า, านกถินนี่เป็นสังฆท า, านพิเศษเฉพาะการไอสังฆท า, านปกติท่านก็ทำวันนี้ท่านทํากันจริงๆนหลายอย่างมีทั้งหนึ่งกถินาทานสองสังฆทานปกติแล้วสามพุทธานสตินึกถึงพระพุทธเจ้า สัตวสี่ธรรมานุสตินึกถึงระธรรมอย่างที่สวดเมื่อกี้เป็นประธรรมนึกเต่าสวดด้วยความเคารพแล้วก็ห้าก็สังขานุสตินึกถึงประสงค์ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าจะนับว่ากรุสุนทั้งหมดนี่จะไปหมดเมื่อไรก็ต้องตอบ ว, ว่าเข้านิพพา น, นนี้อนิสง์ยังไม่หมด ถ้าอ น, นิสง์ไม่หมดอ น, นิสงเป็นเกิดเปความร่ำรวยยังไ ง, ไงก็รวยกันแน่ทุกชาติต่อไปหาคนจนไม่ได้แน่สังฆทานก็เป็นปัจจัยเป็นมหาเกียรีก็ถึงจะเป็นปัจจัยเป็นมหาเกียรีในเมื่อเข้านิพพานไปแล้วถ้าคนอยู่เบื้องหลังที่ก็เป็นลูกเป็นหลานยังมีเคารพในท่านอยู่ขนของท่านอันนี้ยังสนองเขาอยู่ให้ลูกหลานมีความสุขต่อไปดังนั้นฉะนั้นขอบันดาญาโยมพุทธบริสันไหลเวลาที่พระให้พร ให้ตั้งจิตตั้งิฐานว่าขอผลบุญอันนี้ที่ข้าเจ้าทําแล้วทั้งหมดวันนี้ว่ไม่รู้เท่าไรกันแน่นะหลายอย่างขอผลบุญอันนี้จุมจ า, านี้ข้าเจ้าจงปราบจงไม่ปรากฏคําจงไม่ปรากฏคําว่าไม่มีตั้งแต่บัดนี้ไปยังกว่าจะเข้านิพพานตั้งใจแบบนั้นนะคนจะได้ปรากฏกับท่านไอช า, าตินี้เขามีการคล่องตัวต้องต้องการอะไรก็ได้แต่อาจจะเด้งได้น้อยกว่าชาติต่อต่อไป ตอนนี้ไปก็ทุกคนตั้งจจรพรผจากพร ะ, ะพสงค์อย่าทาววิวะหาผุราบาริบุริณีสายระรังเอวามีวิโตทินังเปตานางอุปการปติอิจิตังปฏิตตังตุมหังคิปมวัสมิจัพพตุสัพิบรเรโตสังกบา จันโทนรโซยะทานมณิโชติราโซยะทานสติอติโยังวิวัตตันตุสัพลงโควินสัทุมาเตยบ วันใดายูสุขียนทิ้งยกวนาวะสับทีอันทิยู่วิวัตจันทุสักดิฮารวังกววินาศสันุมาเทียมบาวะ วันใดโยสุศิเคินทมภัยชุกุพาวาสับริอันทีโยอังวิวัดยันตุสัพฮัลวงโควินัดสตุมานที่พาวั วันใรายูสุขีเทียมกายอยู่ภวภวอาควันธนาสิริันิตจามุตนาบัจชายนจตตารวนธัมมวัต อันติอายุวันสุขังอารังกาเลอธาติสพัญาวัฏฐานชเววมัญชลากาเลนัินนังอาริยตุจุพุติสุตัาทิสุวิป ปัจจันนามนาทัตวีปุรรหวนดิทัตหินายยะทัทานุโมทันติเวทยาวัตจังกะโรติวานาเทนทัพหินาวนนาเทนบิมุญญา จาหินหัวตัสมหาธทเดีปฏิวันิจิตตวยันตหินหางมหัพพลังปุญญาใบัลลูนกัสมิงะฏิทถาหติปานินันติ